ฟังทับนะเสียงก็ไม่จำเสียงตัวเองไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟังเพี้ยนไปหลายอย่างนี่หูก็ใช้ไม่ได้นี่เสียงก็ใช้ไม่ได้ มีกายก็มันไม่ยอมไม่ใช่ <c oughs> เราก็อย่าประบาทปฏิบัติธรรมเพื่อกวามไม่ประบาทใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พึ่งตัวเองให้เต็มที่ เกบตกทำอะไรแยบคลายบางทีได้ประโยชน์จากความทุกข์ได้ประโยชน์จากความหลงเีิคุณค่าถ้าเราประมาทไม่แยบคลายก็ฟรี ชีวิตก็ฟรีไม่เป็นกรรมเป็นกะตะตะกรรมกรรมที่ไม่มีผลหลวงก็ฟรีถูกก็ฟรีสุขทุกข์ก็ฟรีไปถ้าเรามีสติ จะได้บทเรียนที่มีค่ากับการใช้ชีวิตมากการมารูา้ทำอาจจะไม่ได้อยู่ในอริบทีท่ตูปแบบอาจจะนอกรูปแบบพระอรหันต์ที่มีเอตตะคะ แปดสิบรูปไม่ค่อยจะมีอยู่ในรูปแบบตามประวัติอนุพุท ธ, ธประวัติบรรลุธรมต่างกันกังนั้นคิดของเราอย่าไปมุ่งแต่ว่าการสร้างจังหวะโดนย่ำโกลมเท่านั้นอันอื่นว่า จ, จะบากบันมากกว่านี้ ความบอกบรนทวมเพียนม่มีสติเจ็บตุกเอาจุดอ่อนที่มันแสดงออกทางกายทางใจความหลงไม่ได้อยู่ในอริยบทรูปกับบระหาโ น, นอกอริยบทมีมากความหลง เราจึงเพียรพยายามที่จะโทกโลกรู้โลกโลกมีสติการมีสติมีได้ทุกอริบทในการใช้กายใช้ใจใช้ชีวิตไม่แต่การเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า<ม>ก็ยังจะได้ประโยชน์พระรหันบางลูก เพียงแต่คนผมเห็นผมชีขาวขาวชี้ปนปนดำขาวขาวก็ได้บรรลุธรรมก็มีเหมือนกันอะไรที่มันเกิดจากกายจากใจนี่มันบุงบอกความเท็ความจริงแต่ผู้มีสติ ความจริงก็เป็นความจริงความไม่จริงก็เป็นความไม่จริงถ้าเห็นจริงๆหละมันไม่มันไม่มีโลกความไม่จริงก็จะมาโชว์ให้หลงไม่ได้เด็ดขาดความจริงจะโชว์ให้หลงก็ไม่ได้เด็ดขาดถ้ามีสติ จะรู้จับเห็นแก่งตามความเป็นจริงราหลงกี่อสงไขผิดพลาดกี่อสงไขแล้วมันก็ฟรีมันนับไม่ถ้วนแล้วุูงนีุู้งนี้ผู้นี้ที่อสงไขแล้ว กวานีน้เจือสูงขัยได้ประโยชน์อะไรจากผู้นี้ได้ประโยชน์อะไรจากกวานนี้ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันเท่านั้นที่จะศึกษาอะไรได้ทำได้เราไม่ค่อยใส่ใจพิธีใดที่เราทำให้เราได้มีปัจจุบันเป็นที่ตั้งมีสติ า <c oughs> นอกจากรูปแบบพอกับมฐานแล้วมีอยู่ในชีวิตของเรานี่เป็นสูตรทบท่วนสูตรผิดสูตรถูกสูตรกุศลสูตรอกกุศลเอาเราเห็นได้สมผัด เราก็จะได้ผลเรียนธรรมชาติมันสอนเราทุกมันสอนเราสุขมันสอนเราตลอดถึงเกิดเกเเก็บตายมันสอนเราอย่าทิ้งอย่าหลงซะหลงเกิดหลงเกเหลงเก็บหล ง, ล ง, ล ง, ลงตายก็จะรับ กรรมถึงเขาหัวโลก็หัวโลกถึงเขาล่งให้ก็ลงให้ชีวิตเป็นเหนือก็สิ่งเหล่านี้ถึงเขาจะสุขก็สุขถึงเขาจะทุกข์ก็ทุกข์ถึงเขาจะดีใจก็ดีใจถึงเขาจะเสียใจก็เสียใจถึงเขาจะลักแต่ชังก็เป็นไปตามหมาการุเช่นนั้นมันก็ไม่มีชีวิตอะไร จงมาดูอย่าให้มันผิ ด, ผดเป็น ผ, ผิดตลอดไปทุกเป็นทุกสุขเป็นสุขตลอดไปนันไม่ได้ประโยชน์เลยเลยชีวิตมันไม่อยู่ตรงนั้นจงมามีสติเป็นหน้าโลกออกมาดูออกมาดูออ ให้สัมผัสให้สัมผัสอย่าด้านรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วจริงหลงก็หลงจริงจริงรู้ก็รู้จริงจริงผิดก็ผิดจริงๆถูกก็ถูกจริงจริงไม่เหมือนจริงอย่างนี้มีแต่ความจริงเรียกว่าอลิสสัตว์จริงแบบไม่จริง ามไม่เที่ยงก็จริงแบบความไม่เที่ยงความเป็นท or ุกข์ก็จริงแบบความทุกข์จะให้ความเที่ยงเป็นความเที่ยงจะให้ความไม่เที่ยงเป็นความเที่ยงเป็นไปไม่ได้เราหลงเราตู่เราขินตรงนี้กันมากถึงเราความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ เราไปตูโอจะให้ความไม่เที่ยงเป็นความเที่ยงยังจะตูก็ไปถึงโลกไหนก็ไม่รู้ลอยทั้งลอยมีทุกข์ประกวนไม่เที่ยงมีทุกข์ประกวมเป็นทุกข์ลอยทั้งลอยทั้งที่มันเปิดเผยเปิดแล้ว หนของครแล้วดังที่ธรรมป่าหังที่เราสอนที่ย่อยไปสูตรบอกแล้วว่าเจ้าเปิดออกแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์ทั้งทั้งที่รู้เห็นพบเห็นทั้งทั้งที่คิดเห็น ก็จบไปจะเล้่อนอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอถ้าเราเห็นไปลักตารกว่าเป็นจริงแล้วนะก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้เป็นสิ่งที่หลุดได้เหนือได้ ทำได้เคยเป็นทุกข์ประความไม่เที่ยงเคยเป็นทุกข์ประความเป็นทุกข์มันก็พ้นจับสิโลาน้ได้ฝึกตนสอนตนมีสติพบเห็นบอบได้เฉลุยได้สามบัดได้จิงใจหลุดพ้นก็ชิงรู้ว่าชิงนั่นหลุดพ้นไปแล้ว พ้นไปแล้วพ้นไปแล้วพ้นไปแล้วรู้แล้วพ้นแล้วทําได้แล้วอย่างนี้อ่ะมีการศึกษามีการได้บทเรียนของชีวิตที่เรามีอยู่มีกายมีใจกชยใจมันแสดงออกการแสดงของกายกาเรียกว่าอาการ ไม่ใช่เป็นเบนเป็นกรรมเป็นความทุกข์ความยากควรมลมบากเป็นอาการเรามาเป็นความยากเอามาเป็นความง่ายเอามาเป็นความชอบเราเอามาเป็นความไม่ชอบแต่มันเป็นอาการเฉยๆเราไปสมมติบันหยัดเอาว่าชอบว่าไม่ชอบ ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสิ่งที่เราชอบกลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบกลายเป็นสิ่งที่ชอบได้ถ้ามีจากสมมติบัญญัติที่เราบัญญัติเองไม่เป็นสากลไม่เป็นศาสนาธรรมปฏิบัติธรรมมันเห็นนะเริ่ต้นก็เห็นสิ่งเหล่านี้ทันทีแหระได้มีจิตไปในกาย อาตาปิสัพพาญโนสติวะวิไ ด, โด้โลเชอภิชาปิโทปัสสังมีสติไปในกายอยู่เป็นปาะจำโถนความพอใจแล้วก็ไม่พอใจในโลกโลูกคือมีรสชาติพอใจก็เป็นรสของโลกไม่พอใจก็เป็นรสของโลกมีรสชาติโถนลงมา ถ้มันจืดซะนี่ก็เรียกว่าเห็นเป็นไปไม่ได้ความพอใจนะั่นแหะทำให้เราบรรลุธรรมอีกนึงความไม่พอใจทำให้เราบรรลุธรรมแต่ก่อนเราอยู่ที่นั่นวันนี้เราเห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจเหมือนกับเหมือนจะเหมือนกับทั้งหมด ของชีวิตเราถ้าถอนตรงนี้ได้เราก็กาอดื่นก็จะง่ายไปแล้วก็บุกเบิกเท v เ, เห็นอย่างนี้เป็นทางไปยังจริงการปฏิบัติธรรมการจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไอยหลักไอย วิธีการดำเนินชีวิตที่แม่นยำชัดเจนเห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจในโลกถอนออกมาได้มั่นก็ได้ทำลารลงไปที่มันเคยยิ่งใหญ่กลายเป็นเรื่องคิบโ้ยแต่ก่อนเรียกว่าสุขแต่ก่อนเรียกว่าทุกข์ หมดนี้เห็นเป็นอาการเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเรียกมันว่าสุขไม่ต้องเรียกมันว่าทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นอาการของรูปของนามตามความเป็นจริงถ้ารูปท่านามไม่มีอาการมันก็คิบหาย มันจึงมีแหล่งปัญญาเป็นพระสูตรเป็นพระวิธรรมเป็น พ, พระวิ น, นัยอยู่ในรูปในนามเนี่ยเป็นมากเป็นผลเป็นอ๊ะบ่ายก็อยู่นี่นี้ถอนความพอใจและความไม่พใจในโลกออกมาในกายในใจออกมาได้แต่ข้ากับ ป, ปิดประตูอ๊ะบาย ผู้มีสติจเจนกับเสแห่งพระนิพพานปิดประตูได้ไม่หลงแน่นอนไม่หลงในสุขไม่หลงในทุกนั่นก็เป็นโกบเป็นกรรมขึ้นมาก็ยตือหลือโล่นไม่เคยรู้เลงนี่มานอนแหลือเกิน ก็ไม่เห็นก็กระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรบากบันมีสติได้เท่าใดก็ก็จะวางสวยชีวิตไม่มืดใช่มันเหมาะแก่การใช้ชีวิตชีวิตก็คือรูปคือน้ำานี่สติเป็นผู้ใช้ชีวิต แต่ก่อนควบหลงเป็นผู้ที่ใช่กายใช่ใจใช่รูปใช้นามว่ามีอวตารที่รูปขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมแต่ก่อนรูปนามไม่ค่อยได้เป็นธรรม ไม่จะรูปจะนามก็เบียดเปลี่ยนกันหิวข้าวก็เป็นทุกข์ของนามหิวข้าวเป็นลูกทุกข์ความหิวเป็นนามธรรมโกรธโกรดเป็นนามมธรราลูกก็นนไม่ได้กินไม่ได้เป็นเช่นนั้นลงโทษตัวเอง พอมาเห็นกวามเทศกวามจริ ง, งมันก็ได้มันก็ได้หลักเปิดความเป็นธรรมขึ้นมารูปนามเป็นธรรมขึ้นมาสมุนคีกันเหมือนให้เราได้ใช้ให้สมเด็จประโยชน์แต่ก่อนเคยทุก เรื่องของรูปร้อนหนาวหิวปวดเจ็บป่วยเป็นทุกข์เห น, นื่อยไม่ล่าเป็นทุกข์วันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์ขอบคุณขรบคุณที่เหมือนแสดงอาการออกมาให้เราได้เห็นไ ด, ได้เดาไย้รู้จักความเท็จความจริงใช้รูปใชนนามเป็น ไม่ไม่ผิดเพี้ยนตามความถูกต้องแต่ก่อนใช่ไม่เป็นนะไม่มีสติได้แต่บทเรียนดีๆจากกงลูกกองนามบางทีบางอย่างไม่ต้องไปทำมอะไร มันมันเปิดทางให้เราถ้ามีสตินะเปิดทางให้เหมือนเราเดินไปอะไรเข้าไปในบิ๊กซีโรทัรดเลยประตูมันเปิดให้ประตูมันเปิดให้เหมือ น, นสนามบิน เดินไปประตูก็จกพอเดินไปมันเปิดแท่บางอย่างทุกมันหลุนทุกบนหล่นเพียงแต่เห็นแก้มันก็หล่นหลุดเหมือนรอ ขึ้นสันต้นพุชชามันสุกบางลูกบางลูกไม่ต้องเขย่าหล่นลงมาบางลูกก็เขยา่าสองข้างสามข้างทุกบางอย่างลู่แล้วลู่เล้วลู่เล้วมันจึงหลุดมนะัมันก็สนุกทำสิ่งที่ผิดให้มันถูกทำที่เป็นทุกข์ให้มัน ให้ทุกทงที่ดักให้เป็นเบมันก็ขยันตรงนี้นะเป็นกอบเป็นกรรมไปผ่านไปเอาไว้หลังเหมือนเราดูหนังดูละครเราจะแสดงบทโศกเศร้าก็ไปโศกเศร้าแสดงบท ส, สบทนุกเฮฮาหัวเราะก็หัวเราะ แต่ว่าเราแสดงเราไม่ได้ดูแต่ก่อนเราเป็นผู้แสดงไม่ได้ดูสุกก็สุกทุกโกรธแบบ น, นี้เราดูมันก็เลาะเห็นมันสุกเห็นมันทุกเห็นมันโศกเศร้าเห็นมันหัวเลอะเห็นอะไรต่างก็ไม่ได้แสดงแม้เขาแสดงขนาดไหนไม่มีแนวร่วม เหมือนเห็นคนเล่นกล เ, เรารลู่เร็วอ่ามันเป็นกลเขาหลกยิ่งเขาแสดงท้าไดก็ยิ่งลู่มายา่อจอไตยิ่งไม่ให้ข้าเหมือนกับเรารู้จกมีความลู่เขาโขนนาอะไรต่างเราก็ยิ่งฉลาดยิ่งเบื่อหน่อยสิ่งที่มันโหลก ดีกว่าเวลาเขาจานใครบ้างหน่อยบ้างหน่อยกิเลสตัณหาบ้างหน่อยความโลปความโกลความหลงเป็นอรุภาพอจิยภาพไม่ใช่ไปมองรูปให้นุ่มให้เหม็นให้ขึ้นอืึนุน่มเหลืองไหลผุพังมันนั่นเป็นอริภาพภาษาเด็กเดก อาสุภา菩萨ของพระอเจ้าน่ยมันเป็นดอกไม้คือเห็นความทุกข์เห็นชีวิตต้นหาลาค้าทโทสะโมหะกามละค้าปติฆ้ามานะเทติกามะสวะภาวาสวะวิชาชวะเป็นดอกไม้ของพระอริเจ้าเบื่อหน่อยคำว่าดอกไม้มันของบูชาให้ได้ ให้ได้สิ่งดีงามได้สิ่งที่มันดีงามเพราะทุกเนี่แหละในทัวมหลงเนี่ยแหละหลงมันยังไม่หลงทุกมันยังไม่ทุกเหมือนกับ อ, อะไรว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็จางลายจืดจางไม่มีค่าอะไร บริสุทธิ์ปีฆ่ามากไม่เปิดไม่เพื่อนนักหวนสวรรทัวเป็นมวหมจรรย์ประกาศพวมรจรรย์พร้อมทักการถาะพร้อมทักพยัธชนะคือสวดเนี่ยคือบันบริสุทธิ์จากสิงศก ป, ปกมันจึงมีความบริสุทธิ์เหมือนเชือกผ้าที่มันเปิดเดพื่อทักออกเป็นจึงสะอาด ชีวิตเราจะสอาดเพราะมันสิงสกปกสิ่งที่ไม่ดีออกไปทําหลายของโลกขวาโกรธความหลงความทุกออกไปจากชีวิตจิตใ จ, จมีชีวิตก็มีก็มีชีวิตชีวิตแบบมีพึ่งป่าจะได้ชีวิตจากตรงนี้มาจิตเขอะเลยทำเป็นเครื่องเนื่องชีวิตไม่ใช่ได้จากข้าวป่าอาหารและนั้นเป็นส่วนหนึง หนึ่งเป็นส่วนของลูกหมอภูจะลูกเป็นลูกวาสัยลูกวาสัยนั่นเพื่อใดชีวิตชีวิตนี่คือชีวิตที่เหนือการเกิดแจเจ็บตายแน่นอนที่สุดเกิดมาเพื่อเกิดเพื่อไม่เกิดเกิดมาเพื่อไม่เกิดทุกข์เพื่อไม่ทุกข์สุขเพื่อไม่ถูก จึงเห็นตกกันข้ามมีกรีดดีมีอะไรดีมีสิทธิด้วยถ้าเริ่มโทษได้ดีถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกอกเสือได้เรียกว่าอะไรไอคิวไอเดียอะไรเดินเข้าเหมอใหญ่ได้ ผ่านได้เมื่อมันดีผ่านเข้าสูม่มรรคสู่ผลถ้ามันตากรีดเป็นดีๆนะเหมือนคนมีกำลังเดินขึ้นบันไดจีชันทางชันทิ่ทีทททททททท่ท่ีกวรร่าเขาเก็บตกดีรูเลี้วรูเล้วทำได้ง่าย ทำควาทุกข์ทำละยอบกวามไม่ทุกข์ทำง่ายๆหลายคนเกลียดไปดีกวา่าทุกข์ทำง่ายๆไม่ทุกข์ทำละยอบอดเราทนเราไม่มีควาว่าอดทนหรอแต่เรื่องนี้ถ้าดอดอยู่ไม่ใช่เห็นความโกรธแล้วอดอยู่ยังไม่ใช่เลย เห็นเนี่ยไม่ได้อดถ้าเป็นนี่ยต้องอดเห็นนี่ยไม่อดเลยเห็นทุกเห็นความโกรธแลวเป็นผู้โกรธต้องอดทนนะไม่พูดในเวลาโกรธเหมือนเชื้อโรคกข้ามาเราต้องอดทนเหมือนฝีต้องอดทนเก็บปวดเหมนคนติดบุหรี่ต้องอดทน หนึ่งวันสองวันเนี่ยนี่โคตีินมันจะแห้งมันเรียกลองหิวระทุบถึงกิจใจคุณมัวอดทนเล็หน่อยเดี๋ยวก็หมดไปไม่ เ, เกินเจ็ดวันนี่โคตินในเส้นเลือดจะหมดไปไม่รู้จักหิวเราไปเพิ่มให้เหมือนมันก็ชุ่มอยู่เรื่อยก็มีเชื่อก็อไม่ เพิ่มใหมันชกอาทิตย์หนึ่งอดพิษร้นได้นี่คืออดทนแบบมันเป็นมันติดติดสุกติดสุกเป็นทุกเป็นเป็นสุกเป็นทุกเป็นผู้หลงเป็นผู้ปิดเป็นผู้ถูกเป็นผู้โกดอันนั้นต้องอดทนวิธีปฏิบัติ ถ้าเป็นหลักสติจริงๆไม่ได้อดเหรอเห็นเนี่ยเห็ น, น, นมันหลงเห็นมันทุกข์เห็นมันโกรธเห็นเนี่ยง่ายๆไม่เป็นง่ายไปจึกโน้นเราะถ้าเป็นเนาะมันจะตร ง, งกันข้ามกับภาวะที่ไม่เป็นเป็นทุกข์จะให้ไม่เป็นทุกข์ยากต้องอดทนตรงนี้มีปีติอดทนยังไงก็มี ออกไปซะเนียกว่าวิขำปัญญาวิบติออกไปก่อนเวลาโกรธอย่าพูดอย่าคิดดรื่งนั้นออกไปก่อนได้แม่บ้านโกรธก็อย่าไปคิดเรื่องโกรธไปทำอันอื่นก่อนเช็ดประตูหน้าต่างเก็บเข้าวเก็บของขวดบ้านเก็บโน่นเก็บนี้ มองงานไปก่อนออกไปก่อนเรียกว่าวิขำปะดาวิมุตหนีออกไปก่อนยุกกิจุกใจยกความรู้ึกออกไปก่อนบ่าทังก็วมุตข่มข่มไม่ถ้าข่มก็อยู่ออกไปจะอยู่นี่ไม่ได้จะจะเลากันออกไปก่อนหนีไปก่อนทิ้งไว้ก่อน ก็แบบสติสมุดขีดตะวิบุ์ไม่ต้องทนไม่ต้องหนีไปไหนเห็นเด็ดขาดสมุดขีดตะวิบุธหลุดพ้นแบบง่ายๆทำเรื่องยากมันเรื่ง่ายคือเห็นกานพรพึงสติทำห้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเรื่องหนักเป็นเรื่องเบามันเห็นมันเห็นอาจจะ ความโกรธถ้เห็นอาจจะคนมีความโกรธถ้าเป็นผู้โกรธหน้าบูดนาบึ้งด้เห็นเหมือนโกรธอาจจะยิ้มในใจเลือดตึกเห็นแล้วเห็นเห็นเรากำลังไายไปก็ตือนลุลุนตรงนี้เหมือนก็เห็นสกปจกเห็นขี้ตาเห็น หน้ามันไม่จัดมันจะเฉยไปได้เขาออกทันทีมันก็ อ, ออกแล้วมัก็สะ อ, อาดการจาดกิตใจเนี่ยมันมันมีรสชาติมากมันมีรสชาติมากกว่าสะอาดกายสะอาดจิตใจล้วจึง ก็เป็นกรรมนําปฏิบัติทำแล้วไม่ใช่ฟรีนะถ้าดูดีๆนะได้ประโยชน์จากความหลงได้ประโยชน์จากความทุกข์มีแน่นอนความหล ง, วลงเวลาเรามีสติตรงกันข้ามความหลงกับความรู้สึกตัวตรงกันข้ามพอดีพอดีไม่ต้องเลยหามอะไรมีสติไปในกายรู้สึกคู่แขนเข้าเหยื่อแ ข, แขนออกเราว่าตั้งไว้ตัว น, นี้อยู่หัด บทของไก่บทอ น, นุบาลอ่ะมันหลงไปหลงไปก็ได้กลับมาตรงนี้ได้กลับมานี่กลับเข้ามาเนี่คู่เข้ามาตรงนี้เหมือนเต่าเวลาหาจินก็เอาอวัยวะออกไปเวลาเจอศัตรูสุนัขป่าวิ่งมาก็คู่แค่กู้อวัยวะเข้า มันก็ไม่เห็นเหมือนกับกรรมฐานรู้จักตัวเ่ยมันไม่ออกไปกรบมนี้เารู้จักตัวแล้วกลับมาปฏิบัติคือกลับมาหลางจากนี้เอาไปมาก็เห็นเห็นความหลงเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้อะไรที่ไม่ใช่ความรู้เห็นหมดเข้าแถวมาให้ดู บางทีบัรฉายออกมามันเคยกินเรื่องใดก็มีลูกก็คิดถึงลูกคนไม่เคยมีเมียก็คิดถึงเมียคนเคยมีเสือมีก็คิดถึงเสือมีคนเคยมีทรัพย์สินสะดึงขานก็คิดถึงทรัพย์สินสะืองขานวันมีวัวมีควายมีชางิมีมากก็คิดถึงวัวถึงควายถึงชาตถึงมากถึงบ้านถึงเลือน บางทีเราอาจจะคิดถึงบ้านบางทีคนมีความโกรธคนอื่นทาไมโกรธค่คิดถึงคนที่เราไม่โกรธดุดความโกรธขึ้นมาคนมีความสงสารในการรุ่นเลือนในประเทในกามมาลคิดถึงขึ้นมาว่าเป็นรู้จะไปแต่ว่ากาลมาลคา้าปฏิฆะ มานฑิทิกมันก็เห็นอย่างนี้ทำไมเราจะทำไมเราจึงจะละไม่ได้เลยพระโสดาบันนี่ละเท่านี้นะมันเห็นต้นต้นเนี่ยการมาละครับเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ มานั่งอยู่นี่คนเดียวอยู่ในป่าในวัดในว่าเป็นนักวดรุ้งเหาผมเหลืองมันก็จะคิดขึ้นมาเห็นปฏิฆาไม่ขวางความเหตุไม่ความคล้อยฝนไปในคิดไปในความคิดวิมานในความคิดทิศิถือว่าเรายึดแต่ว่าเป็นเราซะ มันเกิดเมื่อไหร่เป็นเหล่าเป็นตัว่วเป็นตนว่ามีสติกลับมาเนาะไม่ใช่กลับมาทำลายความโลภ ค, ความโกรธความหลงเบาบางลงมันก็เป็นทางเป็น้าจะเป็นรถเท็กเตอร์ก็ปาดใบ ม, มีดปาดไปอาจจะไม่ได้ไม่เสมอ รอบหนึ่งอาจจะไม่ดีปาดไปเห็นเห็นไปเห็นไปเห็นไ ป, ห, นไปหลาเราก็เรียบลงได้ขึ้นน้อยน้อยเกิดขึ้นเล็กแต่น้อ ย, อยมันทําให้เรียบได้สติเหมือ น, นใบเม็ดเหมือนไม่ขวดทําไม่เรียบสำม ส, สะอารได้เห็นทำไม ส, สอะอาดอมลคะปฏิคมานาทิฏฐิ สังโยชน์สามแค่นี้อ่จะรับไม่ได้หรือพวกเราเอาอย่างพะาระอรหันต์พระสาวกของพระเจ้าเอาอย่างวาสุปัจจิกาบางคนละสังโยชน์ได้สามละสังโยชน์ได้ห้าละสังโยชน์ได้สิบมันก็ ชำนานขึ้นไปชำนาผมก็สอดบทจดขึ้นไปขึ้นไปนั้นไม่รีรออะไรแล้วเหนนะ็นทุกคนเห็นทุกคนถ้นาเมกะมรคคาเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติมันเคยลูกเวลานี้ไม่ใช่มาคิดถึงลูกถึกงเพียงับมาเขาไปเจ้าตบนี้กู้ฉันเข้าเยอะฉันหนอลูกสึกตัวอาจจะชื่ในใจ กรรมมาได้กรรมมาได้กรรมมาได้กรรมอะไรก็กทุกคนเถือนไปถึงโลภะโทสะมโมหะบุบบางลงมาแค่บริสุดาบันไม่ใช่วัดกันด้วยรูปอะไรวัดกันด้วยกฎธรรมที่ไปทำเรื่องนี้ให้มันลาบลงลาบมีกันทุกคน ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเราเขาใดที่เกิดกรรมมรรคปฏิฆะมานาทิติเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดผู้เจ้าก็มีเรื่องนี้ไปเหตุขวงง่วงหอนอนเหมือนกันถ้าไปเห็นตัวดีเกิดขึ้นเยาว่าเรายากมีกิเลสมากทําไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นผู้เจ้าก็เดินไปตรงนี้แหละพระสาวกทั้งหลายก็เดินไปเช่นนี่แหละผ่านตรงนี้แหละ ไปเจออะไรอีกมากมายภูเขาขุมก็จิตให้บรรลุคนามความดีความง้องหัวนอนความพุ่งซ้อนนางเลยส่งสายมีเหมือนกันต้องไปเจอความม่วงนางเลยสงสายความพุ่งซานคิดเหมือนไก่เขียอู่ทัศจะกุกุจาะกุกกุคือไก่ วุธุกมันขึ้นขึ้นของความคิดเหมือนกับไก่เขียดไปไป ค, คิดเรื่องนคิดเร้่นี้ลยโอ้โอพระเจ้าก็มาเรื่องนี้พระเจ้าจึงบอกนี่เป็ น, ปนสิ่งขวงกันไม่ให้บรรลุคุณงามความดีอย่าอ่อนข้อให้มันฮ <c oughs> ึดสู้ไปจากนั้นน่ะมันขวงกันอย่าถึงว่าเรา บางทีเราไปคิดว่าตัวเราโล่เหนือ่อยหาข้อข้างตัวต่วเหนื่อยมันก็ไม่เป็นไรนอนอิ่มไหมกลางคืนได้สักหกชั่วโมงไหมคิดหน่อยเออพอแล้วหกชั่วโมงชีวิตได้สักห้าชั่วโมงไหมเส <c ười> ียพอแล้วกลงวันไม่ต้องนอนนะ <c ười> แต่ว่ากลางคืนต้องนอนนะนอนไหมกลางคืนน่ะพิจาเรื่องมายคิดคิดไปทั้งไหนล่ะ ไม่อาจไม่อาจคิดไปถึงไหนหลังกลางคืนถึงพ่อใหญ่จันถึงไอ้ น, นั้นถึงไอ้ไทยทีย่ถึงหนู่คิดถึงเมียบ่เอน้นัะอน่ะนั่นหม่ยคิดชิดไอ้ท่านอนต้องนอนอย่าพะาเรื่องไม่คิดนะบางคนนอนไม่เป็นพอนอนนัโอกาสคิดมากนีอันนั้นผิดชิดนะเวลานอนไม่นอน ไม่มีความผิดไม่มีความผิดจากคนอื่นเราเองเป็นคนผิดเองต้องสอนตัวเองเวลานอนก็มือวางนอนตะแคงข้างซ้ายข้างขวาหัดเหมือนเดิมเออมือวางไว้นอาท้องกับพิกมือลู่สึกตัวมันคิดไปกลับมามันคิดไปกลับมามันคิดไปกลับมาสนุกทำเบาๆอย่าทำแบบนิ่งะทําทแบบเพ่งทําแบบกลมทําแบบปลอม บ้านุ่งผ้าหม่มเรียบร้อยหม่มผ้าหม่มผ่อนเรียบร้อยเจ็บข้าวเจ็บของเรียบรอยอ้อยอ๋อเปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยกัลูกแล้วก็ไม่มีลูกไมมีเมียนอนอยู่ยู่กติคนเดียวอยู่วะใครใครเขา อ, อยู่คนเดียวไป่คิดอะไรไม่มีใครมารบขวนเล้วเสื้อตัวได้โอกาสลูกนะหลับไปกับขุมลูกสี่ชัว่วโมง สดชื่นถึงขึ้นมาถ้านอนแบบคิดนอนแบบฝันเนี่ยเก็แปดชั่วโมงก็ไม่อิแล้วไม่อิ่มอันนั้นไม่เป็นความผิดของพวกเราพวกเราให้โอกาส2องทุ่มสามทุ่มนอนซะบังมันเราทำงานหนักนกลางคืนต้อง น, นอนอย่างาลวงพ่อนอนตั้งแต่ห้ามงเกินห <c oughs> ขอขันแกนอนหนัวเข้านะ หวานก็ไปผูหลงกับหลวงพ่อคงไปเข็นรถรถขึ้นเขาไม่ได้ไปกติชิเบตไม่ขี่อูดสร้างกติให้อย่างดีกติชิเบตเอาไปดูกลัวจะตายก่อนไปดูเป็ปนวโนอยู่แต่รถไปไม่ถึงมันขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นห้วยไม่ได้เข็นกันก็เหนื่อยสิ เหนื่อยแล้วเราไปไม่ถึงไงแต่วันก็เดินไปครัแบบว่าธรรมดาก น, นอื่นถามเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมว่าธรรมดาอาโยบัปปนนี้เดินกันนี่นนขี่รถชนเพื่อนหมดเลยรถรตชนลงเต็นะไปเห็งกติถ้าเป็นอนาคตนะอันนี้ก็สมควรแล้วนึ่ง เสียงก็ไม่อยากมันไม่อยากให้ใช่มันไม่อยากให้ใช่มไม่โฉนโทษสมวควรไหมสั่งลาพวกเราได้ไหม <laughs> สั่งลาสั่งลาไปไหนไปอยู่ภูหลงอได้ไหมเนะให้อาศัยช่วยงให้ผมม า, ม, มากนะพึ่งจุยงใหมมากนะอย่าไปอาศัยคนอื่นเลยด้นี่เคยคิดเหมือนกันนรอ ส่วนปฏิบัติกัรหลงผู้เทียนแล้วหลงพู้เทียนไปโดนไปนี่เราจะอาศัยแต่หลงพู้เทียนนะเราเนี่ย อ, อ๋อหลงผู้เทียนหนาะผ่านนะักไม่มีทางที่มีชีวิตแล้วขึ้นมาอยู่ที่ไหนโอาแล้วเราเราเราเองเราเองผีจากนี่นะใช่ไหมคิดไหมชีวิตเราเอง <laughs> เราเองนะ่ะเราเองเนะี่ย มั่นใจกันมาเสือเสือทุกท่านะให้มันเข้มแข็งยายไปวันแล้วน้องพ่อเทียนตายไปแล้วคุณอันอ่นตายไปแล้วนี่ไปไยแล้วอันนี่เราก็คิดว่าเมื่อสวงสามวันเราไปกราบมุงห่อท่อนพาะเทระที่หน้าขอรบเคยอยู่ด้วยกันในการก็กราบมุงห่อพุทธาธาตุกราบเจ้าคุณวังเลย ทีนท่นาดกราบเจ้าคุณพระยาณันท้าในนี้พวกเรานี่ไม่มีให้หลอกกร า, กาบรวมกราบของผู้มีพระคุณเราก็สบายใจเราก็ไปการาบหลวงพ่อท่อ น, อน <c oughs> <t> กับหลวงพ่อคงว่นตรังกายอยู่มากแก่แล้วนอนอยู่ยังนอนอยู่แล้วผุนเถนแปดเจปีแล้วไม่อยอมแก่นอนอยู่นอนอยู่ นี่เราสร้างจักบวะเนี่ยหลวงพ่เท่านเล่นกล้ามแบบนีนอนอยู่เนะอนอยู่นะนอนงายอยู่เอพูดเท่าเลยสนุกได้เนี่ยลมดีนะเนยหัวยุมเราไปยอมเบางทีแดดอแดดนุ่มหนุ่มสาวๆไม่อ่อนไม่อ่อนแน่มน่เห็นแพงขึ้นเลยเดินตบเท่าลุ้นตบ ทําวันลราหลวงพ่อจะบอเดินตบเท่าที่รอบศีมาทํามาจากนุยอมแก่ยเกล่แล้วทิ้งไปเลยอายุก็ไปเนาะเวทําลงไปเฉกนไม่มีรู้สึกว่าตัวเองแก่ยรู้จุดตัวก็้นเข้มแข็งขึ้นมาการสร้างจะบอะมันได้พลังตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราจะสร้างตัวนี้เอาผิดเอาถูกมาแจกมันได้ตั้งอย่า หนึ่งต้นคอหน้าอกดี๋ยนะทา่าน่นั่งแบบนี้นานๆไม่ดีนะอย่าชอบนั่งนานๆพระเพียบดานๆเดี๋ยวมันจะสนโสมตัวฉันหลังเลยกาอนั่งก่อนนั่งเก้าอี้กาอนั่งซ่อมความเพียงก่อนอ น, นั่งพิงพนัก เป็นต้นเสาบ้าเดี๋ยวไปนั่งตัว ล, ลอยเดี๋ยวก็หลงขดหลองโกงหลงพบใหญ่เนี่ยนั่งงานเกินไป<ม>เดี๋ยวนี้หลงเพ่มบงังคับไปนั่งเก้าอี้เดี๋ยวไปนั่งไปนั่งเก้าอี้ทำงาเพี้ยนนั่งเก้าอี้นะแล้วไปเป็นนักกรรมฐานจนหลงขดหลงองโกงหลงไม่ได้ อราต้องขวนจเวลากับพระอง